ตอนที่ก้าสิบสามเปลี่ยนกลยุทธ์เฮอะตอนนี้ลูกชายของเจ้าไม่ใช่ผู้พันแล้วยังกล้ามาอดดีกับข้าอีกรึนิวซูเฟินเชื่อหรือไม่ว่าข้าพูดเพียงคำเดียวก็ทำให้ลูกชายของเจ้าใสหัวออกไปจากเขตทหารได้ทันทีแม่หลีเท้าซอิลจ้องหน้าหนิวซูเฟิรนด้วยท่าทางดุดันพร้อมจะเปิดศึกได้ทุกเมื่อนิวซูเฟิน ร, รู้ดีว่ายามนี้นางสู้แม่หลีไม่ได้ ในใจจึงรู้สึกไม่มั่นคงและไม่กล้าประทัดตรงๆทาได้เพียงเอ่ยปัดไปส่งๆเชื่อสิลูกเขยของเจ้าเก่งกาดเพียงนั้นข้ายอมเชื่ออยู่แล้วไม่รู้ว่าลูกสาวเจ้าใช้วิธีไรยังอายแบบไหนไปอ่อยเขามาถึงได้บอกในว่ามีลูกสาวน่ดีแม่หลีแค้นเสียงหืเชิดหน้าขึ้นสูงด้วยความลำพองใจเจ้าพึงรู้ไว้ก็ดีวันหน้าหากเจอข้าก็จงหลบไปให้ไกลเข้าใจหรือไม่หากข้าไม่พอใจแม้เพียงนิดข้าจะเอาโทสมาลงที่เจ้า นิ้วซูเฟินสีหน้าย่แย่แต่ก็มีได้โต้ตอบนางได้แต่เดินจากไปอย่างน้อยเงาแม่หลีรู้สึกสะใจ ย, ยิ่งนักราวกับเพิ่งรบชนะศึกมาก็มีป่านเห็นหรือไม่ในที่สุดข้าก็เอาชนะนังคนพานั่นได้เสียทีแม่หลีเลิกคิวถามหลีคุยความอัดอั้นตันใจที่นางเคยได้รับมาตลอดหลายปีนี้ได้รับการระบายออกมาหมดแล้วพอเถอะเจ้าไม่รู้จักอายบ้างหรือไรดูสิว่ามีคนมองพวกเราอยู่ตั้งเท่าไหร่หลีขุยลดเสียงตามพางดึงแขนแม่หลี รีกินข้าวเสียกินเสร็จแล้วจะได้ไปหาหลีชิงผิงรู้แล้วนาะแม่หลี่อารมณ์ดีเป็นพิเศษอาหารเช้ามื้อนี้นางกินหมันโถเพิ่มไปอีกหลายลูกจะว่าไปหมันโถในเมืองนี้ไม่เหมือนกับหมันโถ ท, ที่บ้านเราเลยจริงๆหอมเหลือเกินพอกินเข้าไปแล้วจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวสาลียิ่งเคี้วก็ยิ่งหอมดูท่าทางไม่ได้ความของท่านแม่สิหลี่เย่าจูเบะปากแค่กินหมันโถก็พอใจแล้วหรือหลีชิงผิงน้นางได้กินแต่อาหารเลิศรส มันโถนี่เมื่อเทียบกับสิ่งที่นางกินแล้วจะนับเป็นตัวอะไรได้เจ้าช่างรู้ดีนะักลี่คุยจิ้งมองลูกชายด้วยความสงสัยพวกเขามีได้ไปกินข้าวที่บ้านตระกูลเจิ้งเสียหน่อยอาหารของโรงอาหารในเขตทหารก็นับว่าดีมากแล้วมีทั้งผักทั้งเนื้อทั้งหมันโถแล้วอาหารของบ้านตระกูลเจิ้งจะดีไปกว่านี้ได้สักเท่าใดกันเมื่อวานข้าได้กลิ่นซี่โครงหมูหอมฉุยเชียวละ่ะตอนพวกเราไปถึงพวกเขาก็ไม่รู้ตัวไม่ใช่ช่วงเทศกาลแท้ๆ แ, แต่กลับทําของดีๆกินกันแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าเป็นนนนช่วงเทศกาาลจะิดดีขดไห หลี่เยาจูเอ๋ยอย่งไม่สบอารมณ์ท่นานแม้พวกท่านสองคนมัวแต่คิดอะไรกันอยู่ในตกลงกันแล้วว่าจุดประสงค์หลักที่พวกเรามาครั้งนี้คือมาเอางเงินพอได้เงินแล้วก็ไปพวกท่านมัวแต่ชักช้าอยู่ได้ชูหลี่ขุยสงสายตาเตือนหลี่ย่า่จูมิให้พูดจะส่งเดทที่นี่ไม่เหมือนที่บ้านรอบข้างมีคนจับตามองอยู่มากมายหากเรื่องนี้เข้าหูคนตระกูลเจิ้นจะทำอย่างไรเมื่อคืนข้ากับแม่ของเจ้าปรึกษากันแล้วตอนนี้แผนการมีการเปลี่ยนแปลง ลีคุยหยุดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อตอนนี้น้องสาวของเจ้ายังไม่ได้อย่างรากฝังลึกในบ้านตระกูลเจิ้งอย่างมั่นคงหากพวกเราไปบีบคั้นเอาเงินจากนางแล้วเกิดคนตระกูลเจิ้งเตะนางออกจากบ้านขึ้นมาจะทำอย่างไรถึงตอนนั้นพวกเราจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแม่สามีของนางคนนั้นเจ้าก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นตอนนี้พวกเราต้องเปลี่ยนแผนอะไรนะจะไม่เอาเงินแล้วหรือลีเย่จูเอ่อยอย่างรำคาญใจ พวกท่านคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยไงตอนมาค่ายังหวังว่าจะได้เงินกลับไปสร้างบ้านแต่งเมียอยู่เลยตอนนี้ดีล่ะไมเหลืออะไรเลยสักอยา่างเจ้าพูดให้ดังกว่านี้อีกนิดสิให้คนทั้งโรงอาหารได้ยินไปเลยยิ่งดีจะได้ให้น้องสาวเจ้ารู้ว่าจุดประสงค์หลักที่พวกเรามาครั้งนี้คืออะไรลี่คุยทะลึงตาใส่ลูกชายที่ไม่ได้ความช่างไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยทำเอาคนแทบจะกรากเลือดตายทั้งที่เมื่อครู่ค่าพูดชัดเจนถึงเพียงนั้นเขาก็ยังไม่เข้าใจเจ้าอย่าเอาแต่คิดเรื่องแต่งเมีย ไ, ได้หรือไม่เป็นนนคต้ออองงมกการกลาห่ย ถ้าไม่แต่งเมียแล้วจะให้ทําอะไรคนรุ่นเราคราวเดียวกับข้าบ้านไหนบ้างที่ไม่มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองพวกท่านไม่มีปัญญาหาเงินมาให้ข้าแต่งเมียก็ช่างเถอะแต่ตอนนี้โอกาสมาถึงมือแล้วพวกท่านกลับไม่เอาพอแล้วแล้วพ่อของเจ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแม่หลี่รีบเข้ามาปลอบประโลมหลี่เย่าจูเงินน่าเอาแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้สิ่งที่ต้องทาตอนนี้คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องสาวของเจ้าไว้ก่อนหลี่เย่าจูหมุดหงิดงุ่นงานจนนั่งไม่ติด หากรู้ว่าเป็นเช่นนี้สู้ไม่มาเสียยังดีกว่าถึงจะอยู่ว่างๆที่บ้านก็ยังดีกว่ามาที่นี่ดูท่าทางไม่ได้ความของเจ้าสินมีนาและเมียเจ้าถึงไม่ยอมอยู่ด้วยลีคุยเห็นท่าทางไร้ประโยชน์ของเขาก็รู้สึกโมโหพลางแค่นเสียงหืกระวังเถอยยามนี้หากทำพลาดนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วยังอาจถูกคนตระกูลเจิ้งส่งตัวไปเข้าคุกที่สถานีตารวจอีกด้วยเจ้าไม่รู้อะไรก็อย่าพูดจะส่งเดท ท่านพ่อเอาแต่คิดเรื่องแต่งเมียให้ตัวเองแต่ข้าคิดจะเอาเงินกลับไปแต่งเมียให้ลูกชายของท่านท่านจะแต่งหรือไม่แต่งนั่นไม่สําคัญหรอกแต่การแต่งเมียให้เด็กนั้นสำคัญที่สุดข้าเป็นพ่อของมันข้ายังไม่ได้แต่งเลยอย่างไรเสียก็ยังไม่ถึงคิวของมันพ่อเถอะเถอเรื่องเงินจะแบ่งกันอย่างไรค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านแม่หลี่รีบเอ่ยขัดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ระหว่างพ่อลูกมิให้บานปลายจนแย่จะจัดการ เมื่ออาหารนี้ทําให้คนทั้งสาต่างก็รู้สึกไม่สบายใจหลีขุยเกรงว่าหลีเย้าจู่จะทําเสียเรื่องจึงสั่งให้เขาไปรอที่เรือนพักรับรองหลีเย้าจู่แผลงฤทธิ์และไม่ยอมไปท่านจะไปถือสาอะไรกับลูกมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันสินิสัยใจคอของลูกเราเป็นอย่างไรท่านก็ใช่ว่าจะไม่รู้เฮ่อแม่หลีเอ๋อตำมีหลีขุยที่ถือสาหาความเกินไปจะมีใครที่ไหนถือสากับลูกในใจได้ถึงเพียงนี้หลีขุยขมวดคิ้วมุ่นด้วยความรําคาญ ข้าถือสาฤจะฟังดูสิว่ามันพูดจาเหลวไหลอะไรออกมาบ้างสมองทึมๆแบบนี้ไม่รู้ว่าได้ใครมาแม่หลีได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มไม่พอใจลูกจะทึมแค่ไหนเขาก็เป็นคนเพิ่มหลานชายให้ตระกูลของท่านนะลูกสาวฉลาดแล้วจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้ก็กลายเป็นคนบ้านอื่นไปแล้วพอเถอะข้าขี้เกียจจะทะเลาะ ก, กับเจ้าแม่หลีลอกตาพลางทำหน้าหนาเดินไปที่บ้านตระกูลเจิ้งอีกครั้ง ลีชิงพิงคาดการไว้อยู่แล้วว่าวันนี้พวกเขาจะต้องมาอีกจึงได้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นเ น, นเจ้าชุนฮาวายิ่งกำชับแล้วกำชับอีกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามโกรธเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะเสียสุขภาพลีชิงพิงรู้สึกจนปัญญาท่านแม่ท่านยังรู้ว่าควรให้ข้าดูแลสุขภาพแต่พ่อแม่แท้แท้ของข้ากลับไม่รู้เลยพวกเขาแทบอยากจะให้ข้าโกรธจนตายเสียด้วยซ้ำลูกสาวอย่างข้า ในใจของพวกเขาไม่มีความสําคัญเลยแม้แต่น้อยสู้แมวสุนัขสักตัวยังไม่ได้เลยชิงผิงเจ้าเองก็เป็นแม่คนแล้วเรื่องบางอย่างตามหลักแล้วเจ้าควรจะมองให้ออกตั้งนานแล้วนะเจ้าชุนหัวลังครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าแน่นอนข้าไม่ได้มีเจตนาจะทําลายความสัมพันธ์ในครอบครัวของเจ้าแต่คนนอกมองปราดเดียวก็ดูออกว่าลูกสาวอย่างเจ้าพวกเขาไม่ได้เห็นหัวเลยแม้แต่น้อยในใจมีแต่เรื่องผลประโยชน์ข้าหวังว่าเจ้าจะพิจารณาเพื่อตัวเองบ้าง ข้ายอมรู้ดีเจ้าค่ะลีชิงผิงเป็นพราะรู้เรื่องเหล่านี้ดีครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรนางก็จะไม่ให้เงินพวกเขาเด็ดขาดท่านแน่หรือว่าท่านจะบอกไปตรงๆเลยว่าร่างกายไม่สบายไม่ขอพบพวกเขาเสียก็สิ้นเรื่องพวกเขาคงไม่กล้าบุกเข้ามาหาท่านถึงในห้องรอกลี่วานเอ่ยด้วยน้ําเสียงราบเรียบหากพวกเขามีความสามารถก็นอนอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะรอจนกว่าพวกเขาจะเบื่อไปเองเดี๋ยวก็กลับไปเองนั่นแหละ